กลับนมัศการพระอาจารย์ค่ะเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะอยากจะรบกวนพระอาจารย์ช่วยสอนสั่งเรื่องของการนั่งภาวนาการดูรู้มีตัวรู้ ก, การภาวนาจับตรงไหนคะ่ะทําตรงไหนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการมีตัวรู้ในช่วงที่เราปฏิบัติงานเราไม่ได้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ รู้เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติรู้ตัวเราเนี่ยรู้เนี่ยธาตุรู้คือรู้ตัวเราเนี่ยนะรู้ตัวเราที่เป็นขันธ์ห้าว่าว่าเราเนี่ยนั่งอย่างไรหายใจอย่างไรพูดอย่างไรคิดอะไรมันคือารู้เนี่ยคือรู้ตัวเราขนา์รู้ขนา์คือรู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเนี่ยรู้เนี่ย เขาเรียกว่ารู้เนี่ยหรือเรียกว่าพุทธะรู้อย่างพุทธะคือรู้ที่ไม่ยึดได้ได้แต่ได้ไดไดแต่รู้อย่างเดียวอ่ก็ก็ได้แต่รู้อย่างเดียวเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในพุทธเจ้าในพระอาหารหันต์ในปุถุชนในสัรพสัตต์ทั้งหลายเขาก็จะรู้ตัวเขาอยู่ตลอดเวลาแน่แ น, นมันไม่อยู่แล้ว หมาแมวต่างๆเนี่ยมันนอนอยู่มันก็รู้ว่ามันนอนมันเดินมันวิ่งไปหาเจ้าของมันก็รู้มันก็รู้ว่าเนี่ยมันวิ่งมันนั่งมันก็รู้ว่านั่งมันนอนก็รู้ว่านอนมันยืนมันก็รู้มันยืนมันวิ่งไปหาเจ้าของมันก็รู้มันวิ่งเนี่ยสัตว์ปาทั้งหลายมันก็รู้อยู่แล้วรู้ร่างกายเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำมันส้มดื่มกินมันก็รู้อยู่แล้วเราทํากิจการงานใดร่างกายเราเนี่ยเคลื่อนไหวยังไงมันก็รู้อยู่เคลื่อนไหวเป็นแนวร่างกาย่างไงมันก็รู้อยู่แล้วก็ หายใจเข้าหรือหายใจออกมันก็รู้อยู่เนี่ยลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกมันก็รู้อยู่เนี่ยแล้วก็เรากําลังพูดอยู่เนี่ยก็รู้ว่าตัวเองกําลังพูดเราคิดอะไรอยู่มันก็ต้องรู้ว่าเนี่ยเรากําลังคิดคิดนึกติดตองอะไรรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติรู้เป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติเป็นรู้ตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในในในพระเจ้าในพระอรหันต์ในพระชนในสรพสัตตังหลายค่ะเนี่ย เราจะพบรู้นี้ได้ยังไงก็ฝึกฝึกง่ายๆเอาก็นั่งก็ตอนแรกก็นั่งนั่งให้รู้ว่อะไรก็ได้นั่งให้สบายอย่างโยมนั่งเก้าอี้อย่าง ง, างี้ใช่ไหมโยมรู้ว่าตอนนี้นั่งเก้าอี้รู้ไหมว่าตัวเอง น, นั่งเก้าอี้แน่เรียกว่ารู้โยมเป็นคนถือไม้อยู่โยมรู้ตัวไหมโยมเป็นคนถือไม่รู้นั่นแนะเรียกว่ารู้ก็อยู่กับรู้นี่แนะอยู่กับรู้ตัวเราไว้ดีแน่ รู้ว่าตัวเรากําลังนั่งอยู่แล้วก็อยู่กับรู้ตัวเรานั่งอยู่รู้ว่าเราถือไม้อยู่ใช่ไหมก็อยู่กับรู้ถือไม่รู้อันเดียวก็ได้แน่ไม่ใช่รู้กับละตัวหรอกรู้ว่านั่งอยู่ก็รู้ถือไม่อยู่มันก็รู้อันเดียวก็ได้แนะก็คือรู้รู้ตัวเรานี่แน่รู้ตัวเราว่านั่งอยู่รู้ตัวเราถือไม่อยู่อ่ะตอนนี้โยมเนี่ยเป็นฝ่ายฟังลวงตารู้ไหมว่าตอนนี้เป็นฝ่ายฟังรู้ตอนนี้พอโยมเป็นฝ่ายพูดไหม่โยมรู้ไหมว่าตัวเองเป็นฝ่ายพูดรู้เห็นไหม เวลาถามอะไรรู้หมดเลยแล้วก็บอกว่ารู้ไม่เป็นแต่พอถามก็รู้หมดเลยรู้บอกว่าเป็นฝ่ายฟังรู้ไหมรู้เป็นฝ่ายพูดรู้ไหมรู้รู้ว่าถือใบรู้ไหมรู้เนี่ยรู้ว่านั่งรู้ไหมรู้เนี่ยทำไมจะไหนบอกว่าไม่รู้รู้ไม่เป็นก็รู้หมดเลยเนี่ยรู้ตอนนี้เราก็อันนี้รู้อย่างหยาบรู้อย่างหยาบคือรู้อริยบทท่าทางให้อยู่กับรู้เนี่ยอย่าทิ้งรู้ตัวเราเนี่ยยืนเดินนั่งนอนหันซ้ายหันขวา เดิมกินหรือทำกิจการงานใดขยับตัวรักษาท่าทายอย่างไรขออย่าทิ้งรู้ผมว่ารู้เนี่ยมันสําคัญที่สุดถ้าเป็นรู้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะหายตัวไปเลยตายแล้วหายตัวไปเลยในปัจจุบันก็ไม่มีตัวตนไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความทุกข์ให้เป็นรู้ไว้อย่ามาเป็นตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยให้เป็นรู้ไว้ตลอดเวลานี่วิธีฝึก ง, ง่ายๆตอนนี้ถ้ารู้ตัวเราในอรดียบทเดินไปเดินมายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันจะเป็นไอเดยบทหยาบมันจะไม่พ้นทุกข์ ต่อไปก็ละเอียดขึ้นคือรู้ตัวเราที่หายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวเราเนี่ยอ่าเมื่อเรารู้ตัวเราว่าเรานั you know, you know, ่งอยู่นะอะเริ่มรู้ว่านั่งแล้วตัวเราที่นั่งมันหายใจเข้าหายใจออกรู้ไหมรู้เห็นไหมเราก็อยู่กับรู้แต่อย่าไปอยู่กับลมแต่อย่าไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่กับรู้อ่ะเรียกว่าอยู่กับรู้คือรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้ว่ากายเรานั่งไม่นอนใช่ไหมอ่อยู่กับรู้นะอย่าอยู่กับรู้อย่ามาอยู่กับตัวเราเอง เดี๋ยวก็รู้รู้ตัวเราเราจะได้หายตัวไปได้ถ้ามาเป็นตัวเราเนี่ยมันจะหายตัวไม่ได้อ่านี่ก็เริ่มละเอียดเข้าแล้วคืออันดับแรกก็รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนหันซ้ายหันขวาดืมกินก็รู้หมดอ่าแล้วก็รู้ว่าตัวเรากาลังถือไม้เนี่ยมัก็ถือไม้ถือไม้จะพูดเนี่ยก็รู้อยู่แล้วก็รู้เราอ่ะรู้ละเอียดขึ้นไปก็คือรู้ตัวเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกในปัจจุบันหายใจเข้าหรือหายใจออกในปัจจุบันนี่ก็ละเอียดขึ้น ให้เป็นรู้อย่างเงี้ยให้เป็นรู้อย่างเงี้ยเอ่อต่อไปพอมารู้อย่างนี้แล้วก็รู้ว่านอกจากจะรู้ร่างกายแล้วก็รู้เวทนาด้วยรู้เวทนาคือว่า เ, เรานั่งอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันสบายกายสบายใจเรียกว่าสุขเวทนาถ้ามันไม่สบายกายไม่สบายใจก็เรียกว่าทุกเวทนาถ้ามันไม่ถึงขั้นสบายกาย สบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาหรืออุทุกขมสุขเวทนาอันนี้จะรู้ไหมรู้ค่ะรู้เนาะรู้กับทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือไม่ไม่ไม่ถึงขั้นสบายกายไม่สบายใจอ่ะและ้วก็ก็รู้เวทนาไว้ด้วยรู้ทั้งกายเมื่อกี้รู้กายกายหายใจเข้า laquelle, หายใจออกตอนนี้ก็รู้เวทนาด้วยรู้เวทนาก็รู้ก็แค่รู้นะสักตะวัรู้หรือว่าแค่รู้หรือสักตะวรู้หรือรู้ซื่อๆอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่ว่ารู้ไปทําอะไรเขาหรอกไม่ใช่ว่ารู้แล้วไปแทรกแซงเขาแค่รู้แค่รู้แค่รู้ร่างกายเราเนี่ยรู้เวทนารู้ตัวเราทั้งตัวนี่เนี่ยตามความเป็นจริงอตันนี้อมาละเอียดขึ้นแล้วอะไรกันรู้ร่างกายน่ะยืนเดินนั่งนอนหันซ้ายหันขวาก็รู้ตลอดเลยอยู่กับรู้อยู่กับรู้รู้ซื่อๆอยู่กับรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กับอยู่กับรู้หรือแค่รู้ก็เรียกว่าอยู่กับรู้อยูอ่กับรู้ หรือว่าสักตวารุก็เรียกว่าอยู่กับรู้รู้ตัวเราเนี่ยซื่อหรือว่าสักตะวารุตัวเราหรือแค่รู้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้แล้วก็ตัวเราเนี่ยสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าไม่ถึงขั้นสบายกายไม่สบายใจก็เร yes. ียกวุ่เบขาเวทนาสบายกายสบายใจเรียกว่าสุขเวทนาไม่สบายกายไม่สบายใจก็เรียกว่าทุกเวทนาถ้าไม่ถึงขั้นสบายไม่สบายก็เรียกว่าุเบขาเวทนาเหลือทุกกสุเวทนาก็แล้วก็แค่รู้แก่รู้ซื่อ สออย่างแล้วกายเวชนาจิตจิตก็คือความคิดเนี่ยมันคิดคิดอะไรคิดจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุจุจจนจุ๊บจุ๊ึ๊ประมนูของจิตเลยคือถ้ามันไหวตัวเนี่ยเป็นจิตหมดเลยที่มันมีอาการไหวไหวไหวไหวไหว้เป็นจิตหมดเป็นจิตแล้วก็แล้วก็รู้หมดเลยจิตมันคิดอะไระรู้ทุกคิดเป็นจิตไป จิตค <C jin x 2> so so ิดอย่างไรได้แต่รู้รู้จิตปัจจุบันรู้ทุกคิดไม่ติดไปจิตเป็นอย่างไรได้แต่รู้รู้ซื่อๆื่อรู้ซื่อๆ่อคือไม่ติดไปวะอย่าเอาตัวเราเนี่ยไปหลงคิดเพราะมันต้องการให้รู้ตัวเราไงอย่าเอาตัวเราไปหลงไปเป็นคนคิดเพราะมันต้องการให้รู้ตัวเราคิดคือมันต้องการให้รู้ตัวเราตลอดเวลาเนี่ยมันจะได้เป็นรู้ตัวเราอันนี้ยตายแล้วจะหายตัวไปเนี่ยเราก็ละเอียดขึ้นแล้วแต่แรกรู้กายต่อมารู้เวทนาละเอียดขึ้นแล้วต่อมารู้จิตแหละ ไปรู้แต่ไม่เป็นจิตทิคิดมันก็เลยแต่เนี้ยไม่เอาจิตทิคิดไปเป็นตัวเราแล้ว <จ S 1> ไปเป็นรู้จิตทิคิดแต่เนี้ยเริ่มจะพ้นจากตัวเราแล้วเริ่มจะพ้นจากตัวเราแล้วแล้วก็ธรรมอารมณ์กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรวบเลยต่นี้รวบเลยเวทนาสัญญาสังขารคือเวลาจิตเนี่ยเขาไปไปรู้อะไรปุ๊บเนี่ยไปรู้อะไรเนี่ยเขาจะต้องมีมีมีเนี่ย มีความถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลารจําได้หมายรู้แล้วบอคิดคิดคิดอะไรเนี่ยแต่ความจริงอะทะุจิตคิดอะมันรวมหมดแล้วมรวมในธรรมารมณ์ด้วยเพราะว่าจิตคิดอะมันไปรู้อะไรมันก็เอามาส่งต่อเวทนาสัญญาสักขานะเอามาคิดปรุงอยู่ในใจทั้งรู้ทั้งคิดตั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยเนี่ยไอ้ตอนนี้ถ้ารับเป็นอย่างเงี้ยการเวทนาจิตธรรมแแค่รู้แค่รู้สักตะรู้ตัวก็คือการเวทนาจิตธรรมก็คือตัวเรานี่แหละตัวเราทั้งตัวเนี่ยที่มัน มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์มีชีวิตจิตใจเนี่ยแหละตัวเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกรู้แอบคิดแอบนึกแอบพูดแอบกระทําอะไรสบายกายไม่สบายใจอะไรต่างต่างเนี่ยมันรู้หมดแหละสบายกายไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจแล้วมันรู้เรียกแหละรู้ตลอดเวลาเลยถ้าไม่ทิ้งรู้เป็นแต่รู้ตัวเราตลอดให้เป็นรู้ตัวเราซื่อๆคือรู้แล้วเป็นรู้เฉยนะแต่อรู้เนี่ยมันคิดไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวเราอ่ไม่ใช่ตัวเราเป็นขันธ์ที่เป็นตัวสมมุติที่เป็นตัวปรุงแต่ง ไอตัวปรุงแต่งตัวขันห้ามันถึงจะคิดได้ถึงจะไปพูดได้ไปทําอะไรก็ได้ให้เป็นรู้ตัวเราไว้เพราะไอรู้เนี่ยมันคิดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเราไอตัวเราที่เป็นตัวสมมติที่ตัวปรุงแต่งขันห้ามันถึงจะไปคิดได้มีอารมณ์ได้แต่ไอรู้จตัวเราเนี่ยมันได้แต่รู้มันคิดไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้เพราะไอที่รู้ได้คิดไอที่มันคิดได้มีอารมณ์ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรได้สบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆได้ อันเนี้ยมันมันเป็นตัวเราที่ถูกรู้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ถูกรู้เนี่ยตัวเราที่ถูกรู้มันเป็นตัวปรุงแต่งตัวขันท่าเป็นตัวสังขารตัวไม่เที่ยงอย่าไปยึดมันให้เป็นรู้ซะอ่าให้เป็นรู้รู้อะไรรู้กายที่หยาบแล้วก็รู้จิตที่ละเอียดเข้าไปให้เป็นรู้ทั้งกายได้รู้ทั้งจิตจิตที่คิดรู้กายยืดเดินนั่งนอนหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่ารู้กายแล้วก็รู้จิตที่คิดมันก็เลยรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตให้เป็นรู้ไม่เป็นกายไม่เป็นจิต เอาไวเวลาตายแล้วก็หายตัวเลยเพราะว่าถ้าไปเอาไว้ยึดกายไปยึดจิตตายแล้วไม่หายตัวตายแล้วก็ไปเป็นกายโป่งแสงได้อีกเพราะมันยึดมันยึดเอาไว้ตัวที่มันมีความรู้สึกมีจิตอารมณ์เป็นตัวเรามันไม่ใช่มาเป็นรู้ตัวเราเนี่ยฝึกให้รู้ตัวเราไว้อย่างเงี้ยไม่ว่าจะทํากิริยาการ ใ, ใดๆก็ตามให้รู้ตัวเราตลอดเวลาให้เป็นรู้ตลอดเวลาเราเราแอบคิดแอบพูดแอบกระทําอะไรใดที่รับที่แจ้งให้ไม่รอดพ้นจากรู้ตัวเราเลย ให้เป็นรู้ไว้แต่อย่ามาเป็นตัวเราที่ถูเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะอันนวิธีฝึกง่ายเวลาพูดคงง่ายหรอกแต่เวลาฝึกก็เอาเ ร, าเ ร, ารื่องดีเหมือนกันเรียนถามเพิ่มเติมค่ะเไม่ทราบคือเพิ่งเพิ่งเพิ่ ง, พ, งพิ่งหัดทําอะค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าเราเราไปเพ่งเกินไปหรือปล่าโดยไม่ตั้งใจอะค่ะก็รู้สึกว่าลมหายใจมันไม่ค่อยจะปโปร่งอะคะ มันก็ติดขัดนิดหน่อยอ่ะค่ะพระอาจารย์อืมไอ้รู้นี่มันอยากไม่ได้นะรู้นี่มันอยากไม่ได้ไอ้คนที่อยากมันจะต้องเป็นตัวไหนไอ้คนที่อยากให้ลมหายใจมาปโปร่ใงใอ้ลมหายใจไม่ติดขัดมันเหมือนกับว่าเราเราไม่รู้จะไปไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงอะค่ะแล้วก็เป็นรู้ อ, อย่างเดียวอะรู้ซึ้ะแต่เราเนี่ยเอาตัวเราไปรู้ซะแล้วแบบเนี้ย เอาตัวขันห้าไปเพ่งรู้ซะแล้วะเราตังเกตดูสิถ้าเราเอาตัวขันห้าไปเพ่งรู้เนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันคิดได้มันวิพากษ์วิจารณได้แต่ถ้าเป็นรู้ตัวเราเนี่ยไอ้รู้นั่นเนี่ยมันไม่มีตัวตนหรอกมันว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลเลยแต่รู้เราเนี่ยไอ้รู้ที่มันเราเอาราไปรู้ตัวเราเนี่ยเอาไปรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเราตั้งเกตดูสิไอ้รู้เนี่ยมันเลือกได้มันชอบอย่างนี้มันไม่ชอบอย่างนี้ มันอยากให้เป็นอย่างนี้มันไม่อยากให้เป็นอย่างนี้รู้เนี่ยเนี่ยรู้เนี่ยมันเลือกได้โอ้ยรู้นี่มันไม่้งไอ้นี่ไม่ใช่นี่มันรู้ปรุงแต่งมันเลือกได้มันชอบโป่งโล่งเบาสบายชอบนิ่งชอบสงบชอบว่างชอบสว่างไอ้ไหนไม่ไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาสบายไม่นิ่งไม่ไม่สว่างมันไม่ชอบเนี่ยอันไอ้รู้ของเราเนี่ยมันชอบได้มันชอบไม่ได้ไอ้นี้ไม่ใช่รู้อันนี้เป็นตัวขันหน้าเป็นตัวปรุงแต่งแต่ไอ้ที่รู้ตัวเราเนี่ยมันมี มันเลือกไม่ได้มันมันแทรกแซงไม่ได้มันชอบไม่ชอบไม่ได้ถ้าชอบหรือไม่ชอบอะไรได้มันเป็นขันธ์นะมันตัวปุงแต่งสังเกตได้ดีมันรู้คนละตัวกันไอ้ตัวที่เราแน่นแน่นบ้างอุดตันบ้างโล่งบ้างโปรบ้างพอใจไม่พอใจบ้างโอ้ยอากาศมันไม่โปรไม่โล่งมันสบายหุ่นี่ถือทางนั้นไอ้ตัวแทรกแซงในสารพัดเนี่ยอันนี้มันตัวงปรุงแต่งทางนั้นแหละมันปรุงแต่งเป็นแทรกแซงได้สังเกตได้ดีๆครับไม่ยากหรอกไอ้รู้เรามันปรุงแต่งกระเป๋าเนี่ย ไอ้ทะลุปรุงแต่งมันอยากได้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้มันจะชอบไอ้นี้ชอบไอ้งี่ไม่ชอบจิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างงี้ไอ้นี่มันปรุงแต่งมันไม่ใช่รู้าทะลนปรุงแต่งไม่ได้เพราะรุ่นเป็นวิสังขารเป็นอาสังขารธาตุปรุงแต่งไม่ได้แต่ปรุงแต่งได้ไม่ใช่รู้เป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นขันธ์ห้าที่เป็นตัวปรุงแต่งจะจะฝึกปฏิบัติต่อไปค่ะอ่าสาธุให้เป็นรู้นะค่ะเอ่าดูสิอย่าไปหลงแล้วกันแต่หลงอเมื่อไหร่หรู้